พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11ตุลาคม2559มีเมีชื่อเรื่องว่าประสบการณ์กลัวผีวันนี้เป็นวันอังคารที่11ตุลาคมพุทธศักราช2559 วันที่ส6หเป็นวันปรวรณาออกพรรษานะคณะสถาญ า, า, าติโยมโลูกหลานแล้วก็ใส่บาททางนอกวัดใส่บาทที่ศาลาแจ้งข่าวให้พี่น้องลูกหลานได้ทราบตักบาทศาลาที่ศาลานอกเหมือนตกครั้งวันสำคัญแล้วก็วันที่ย3สาม เป็นวันขดถิ่นของพวกเราเป็นวันปิยะด้วยนะเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันอาทิตย์เต็นทางมูนิธิก็มากลกางให้เจ็ดศพเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์เรื่องเต็นไม่มีปัญหา <c oughs> แล้วก็มีแต่เตรียมพร้อมแล้วนะให้พวกพระช่วยๆกันเตรียมไว้เต็มเนินเน่นๆอย่าพไปกใกล้ๆแล้วยังค่อยเตรียมกันมันจะไม่ทันอันไหนควรจะเตรียมผวกน้ําผวกอะไรผวกก๊อกน้ําผวกอะไรทดลองทดสอบดูทั้งหมดนั่นแ่ะเราเคยทํามาแล้วนะ <c oughs> ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนั่นแหะ ปีสองันห้าอยห้าสบเก้านะก็มีออกพรรษาวันเดียวกรถินวันเดียวต่อไปก็เป็นปีหกศูนย์เลยนะก็มีวันเดียวมีวันเดียวอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราช่วยๆกันคิดนะอย่าได้ขาดตกบกพ่องสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มีตั้งแต่พูดนะ มีแต่พูดมีแต่เตือนให้พวกเราได้อย่าตั้งอยู่ในชลาใจแล้วอประมาทพูดง่ายๆพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกถ้าอีกพูดอีกแบบหนึ่งว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเรานึกย้อนหลังดูเรามาเกิดอย่างนี้ถ้า เราเลือกเกิดได้หรอคงเราคงคงจะไม่เกิดอย่างนี้นะคงจะเกิดในสถานที่ดีที่เหมาะที่สมกว่านีนะ้ถ้าเราเลือกเกิดได้แต่นี้เรามันเกิดมาแล้วนะแต่ถึงยังไงก่อนที่จะมาเกิดนถ้าจะว่าไปแล้วก็ตัวเองเลือกก็ได้เมื่อเรามีเงินมีเงิน เราไปเลือกซื้ อ, ư, อ, อสินค้าสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยเราเลือกไปเลือกซื้อได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินล่ะเราจะไปเลือกซื้อได้ยังไงเพราะเราไม่มีเงินเรามีเงินขนาดไหนเราก็ต้องซื้อสินค้าได้ขนาดนั้นในช่วงนั้นแต่พอมาซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะมาบ่นทีหลัง เ, เราไม่น่าซื้อสินค้า ตัวนี้มาเลยมันน่าจะซื้อสินค้าตัวที่มันมีคุณค่ามากกว่านี้แต่ในช่วงนั้นน่ะมันเลือกไม่ได้เพราะเงินอยู่ในกระเป๋าของเรามันมีเพียงแค่นั้นอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันน่ะการที่มาเกิดเราที่เขามาเกิดช่วงที่มาเกิดกรรมกรรมเป็นผู้พามาเกิดบุญบาปเป็นผู้พามาเกิด ถ้าเรามีบุญบุญกับพาไปเกิดได้ไปเลือกเกิดได้แต่ถ้าว่าบาปพามาเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้เอมันต้องผักใสเข้าไปผักดันเข้าไปให้มาเกิดในจุดนั้น จ, จุดที่มันทุกข์ยากลำบากจุดเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหานานับประการไม่รู้ว่าปัญหาอะไรก็ไม่อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน พ่อแม่ก็ยากจนตัวเองเกิดมาก็นั่นะไม่รู้ว่ากระทบกระเทือนกระทักกระแทกทะเละาะพีศาทกันอีกต่างหากแล้วเราเกิดมามันลักษณะอย่างนั้นในการเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมไม่ดีพามาเกิดถ่าว่าเราเลือกเกิดได้นะ เราคงคงจะไปเกิดที่มันดีปีอะไรทุกอย่างพร้อมพอมันเลือกพอมันในโลกแล้วมันมันมีทุกอย่างพร้อมไปเลือกเกิดได้ในแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนะี่ยสุดสุดละมันก็สุดมาตั้งแต่มาตั้งแต่กรรมมาแต่บุญกรรมที่พวกเราได้สร้างเอาไว้เพรคนนั้นในหลัก ทำคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้พอเราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเราก็จะได้เลือกสถานที่เลือกเกิดได้เพราะบุญกุศลเป็นผู้พานำคะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะจัตตาายาตโยมลูกหลานทุกคนเกิดมาในโลกนี้นะ แต่นับว่าโชคดีอย่างมากพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบสิ่งที่ไม่อดไม่อยากในพื้นแผ่นดินไทยธรรมาชาติไม่ลังแกเบียดเบียนไม่ทำทำร้ายทำลายพวกเราถ้าไปเกิดในต่างประเทศ ให้พวกเราศึกษาทุกๆวันเนียโลกมันแคบเราจะศึกษาดูจุดไหนอย่างไรแต่ละประเทศมีแต่ธรรมชาติสั่งแก่เบียดเบียนทวันหนาวคนหนาวจริงๆออกจากบ้านไม่ได้แต่หิมะก็หิมะหล่นลงจนขาวโพนไปที่ไหนหากันก็ไม่ได้การทางานธรรมทำงานไม่ได้เต็มที่ บางทีก็หนาวเกินไปบางทีก็ร้อนเกินไปนี่ธรรมชาติของโลกแต่พวกเราทุกอย่างเหล่านั้นถึงจะร้อนก็ร้อนจริงอยู่ก็ไม่ถึงกับล้มกับตายพร้อมที่จะหลบปลีกได้เพราะมันอมีน้าํามีอะไรพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ถึงจะร้อนถึงจะหนาวก็เหมือนกัน ถึงจะหนาวขนาดไหนเราก็ยังมีฟืนมีอะไรเครื่องอํานวยความสะดวกได้อยู่สรุปแล้วก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประเทศปฏิป ร, รูประเทศสว่านโซจะนะ <c oughs> แต่ทางนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้พวกเราก็อย่าพึ่งให้วิเคราะห์ดูซะก่อนให้ติดตามดูซะก่อนให้ศึกษาดูโลกโลกไปนี้ซะก่อน เพราะทุกวันในโลกทุกวันนี้ศึกษาได้เราจะกดในมุมไหนอยากจะรู้ในมุมไหนของโลกเราก็รู้ได้เพราะนั้นหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อเห็นตามที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้มานี่ครับเนี่ยพูดพูดให้ลูกให้หลานได้ฟังสรุปแล้วก็คือพวกเราเป็นผู้โชคดีสรุปแล้วนะในเมื่อโชคดีขนาดนี้แล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไร ในขณะที่เราเป็นผู้โชคดีอย่าให้ความโชคดีเหล่านี้ผ่านเราไปากลับเป็นโชคร้ายเรากลับลืมตัวแล้วก็ปรับตรงปุงตัวให้เป็นคนไม่ดีแต่พอผลไม่ดีเท่านั้นแหะโชคร้ายโชคร้ายแหละท่นเลยออบเผล อ, อในชาตินี้ก็เถอะถ้าทําตนไม่ดีก็เข้าคุกเข้ า, ขาตรางกว่าที่จะออกได้วั น, นันสิงทั้งหลายทั้งปวง เหานี้นะสิ่งนี้ที่มันไม่ดีรู้ไม่ไม่ดีเราอย่าทําหมันขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพการสแสวงหาทรัพย์นี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะคณะญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเกิดมาทั้งทีชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างๆการเป็นอยู่อาหารการบริโภคการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เหมือนกันนะเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันการเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมนะไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันเกิดมาเป็นลูกชาวนาอยู่ตามชนบทการเป็นอยู่การแนะนำสั่งสอนระกว่าการเป็นอยู่ตามภาษีภาษาของบ้านนอก แต่ว่าความทางด้านจิตใจมันคล้ายๆกันนะนะถ้าว่ากลัวผีก็กลัวเหมือนกันกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลําบากเรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักผู้นรักพงรักพงศ์สาคณาญาติก็รักเหมือนกันแต่ว่ากลัวผีหนึ่งไม่ว่าคนร่ําคนรวยคนสวยคนงามขี้ร้ายขี้เล่เนยโดยมากบรรโด่โดยมากจะกลัวผีด้วยกันทั้งหมดนะ มาพูดถึงธงเครื่องเคื่องกลัวผีเนี่ยงพ่อเนี่ยเราเล่าให้พวกสาต ญ, ญาติโยมด้วยฟังสมัยเป็นเด็กเข้าเข้าโรงเรียนปสองปสามมีคุณลุงตายลุงเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างบ้านห่างกันประมาณสักสามสี่ห้าร้อยเมตรเนี่ยนะก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่เป็นที่รักเคารพกัน พอเขาตายเลยพอตายตอนใกล้ๆค่าเราก็นั่งอยู่ในบ้านกำลังทำอาหารพวกพี่ๆ พ, พวกฝ่ายผู้หญิงเขาทาอาหารพวกฝ่ายผู้ชายก็นั่งอยู่ข้างนอกอหลวงพ่อก็นั่งเป็นเด็กนั่งข้างๆผู้ใหญ่กะกลัวผีเลยพอมันค่ำไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมมีแต่ไฟกระบองดุ่นเดียวพอได้เสียงแสงผลเรียบดีในบ้านพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า เขาอยากจะได้โหละพามาใส่แกงทางพวกทางฝ่ายในครัวก็ก็บอกมาทางพี่ชายใหญ่เขาบอกเอ้ยไปลงไปเอาโหละพาไปโอ้ยแมดไปแล้ววะกลัวผีวะเออเอาทนาเดี๋ยวจะจ้างเอายีา่สิบบาทเขาว่ายี่สิบาทเขานั้นเขาไม่มีหรอกเงินหน่ยี่สบาทก็ว่าไปอย่างนั้นแ่ะเงินยี่สิบาทไม่ใชข่ของหาได้ง่าย ถ้าทุกวันเเป็นหลายร้อยบาทอะไรสักยี่สิบาทสมัยนั้นนะไปจีจ้างยี่สิบบาทเออกันนะยี่สิบบาทจะลงจะลงไปเอาโหระพามาใส่แกงฮะพอจะว่าลงนะ่ยพี่ชายคนนั้นเขา ก, กลัวจะเสียเงินอีกใช่ไหมล่ะเ อ, อ้ยไปหาท้าทายจะผีนะไลงไปเนะี่ยไม่จะจับขามึนนะว่าโอ้ยเท่านั้นแล้มกัน กระโดดเยงเข้ามาทั้งบ้านเลยวนะไปโดดอยู่ทางหลังเขาอีกต่างหากโอ้ยไม่เอาไม่เอ า, เอาให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาทกลัวผีจะจับขายลักขณะที่เดินลงไปเพราะไม่มีไฟฉายใช่ไหมละ่ะมีแต่ไฟกระบองฮิปริบลีริบลีอยูนนนะอ่นั่นแหอะนี่แหละความกลัวหลวงพ่อเนี่ยกลัวจริงๆนะแต่เคยเห็นไหม จ, จะว่าไม่เคยเห็นก็นมันคือครั้งหนึ่งจะจำไม่ลืมไปทางทุกวันเลยแต่จะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าคลับคลา ย, ายลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเพ่อพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งเป็นกําลังอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกปีเนี่ยนะประมาณนี้แหละยังเป็นหนุ่มตรงพ่อก็ยังเป็นเด็กพอพี่ชายตายเขาก็ไป เผาตามประเพณีนะแต่วันนั้นก็พอนอนนอนไปเห็นโผล่เข้ามาเขาใส่เสื้อใส่เสื้อใส่ผ้าโผล่มาไม่เห็นแต่หน้าเขาพอเห็นปุ๊บเราก็หายปั๊บไปเลยแต่มันชัดชัดเจนจริงๆเห็นเห็นในช่วงนั้นก็เหมือนกับเขามามามองมาบอกลาแล้วก็ไปเลยลักษณะอย่างนั้น เห็นข่าวนะจึงจาไปลืมมาท่องทุกวันในลูกหลานขาวนักขยุเพียงสิบกว่าปีเท่านั้เองจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังระลึกได้อยู่เห็นพี่ชายคนที่ตายไปแล้วเน่ยเห็นไปมันไม่เห็นในเห็นเพียงเสี่ยววินาทีเท่านั้นเองพอเห็นปั๊บรู้ว่าเป็นเข่าเท่านั้นแล้วก็หายปั๊บไปไปเลย มันจะว่าเป็นผีหรือเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นแนวความนึกคิดตัวเองก็สุดแท้จะเดาอีกเหมือนกันในช่วงนั้นแต่เห็นได้ชัดแต่เขามาเขามาเขาม า, า, มาโผล่หน้ามาแต่เรานอนเรานอนเราก็มองเห็น mm hmm. พอไกล้ใกล้กลขําแสงกระบองก็พอคับคล้ายคับคานในช่วงนั้นแต่เรากลัวไหมไม่กลัว เพราะมันไม่กลัวเพรเห็นเห็นเห็นว่าเป็นพี่ชายแล้วทีนี้นก็ไม่กลัว น, ะนี่แหละแต่เด็กเป็นเด็กนะหลวงพ่อขี้กลัวผีนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะไม่ใช่คนเก่งคนกล้านะอไม่ใช่คนเก่งคนขนาดมาบวชเนะี่ยอมาบวชเป็นสมณีเนะี่ยโอ้กว่าทจะอยู่ได้เออตัวหลงปู่ล่าท่านก็ตลอมเก่งนะไปกลัวทําไมเวลาเราจะไหว้พรนะเนี่ย กาพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขอย่าให้เบียดเบียนกันภูมิเทวดาเทพเจ้าเราเทวาอยู่ในสถานที่ใดก็ขอให้เป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่าได้มาหลอกมาหลอนกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสร้างบุญกุศลเราต้องคิดอย่างนั้นนะ เราก็เชื่อหลวงปู่ใช่ไหมล่ะหลวงปู่สอนเนี่ยเราก็เชื่อต่อมาเราก็อยู่ได้นะกุฏิในถ้ำผูจก้อนทะำอยู่ข้างล่างอยู่หลวงปู่ล่าอยู่หลังเขาโยมหลวงพ่อที่บวชเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อเนะี่ยเป็นคุณคุณพ่อนะเป็นหลวงพ่อนะก็อยู่ในห่างกันอีกท่านไม่อยู่ด้วยกันไนดะ้พระกรรมาฐานนะต่างองค์ต่างอยู่ขนาดเป็นเนนน้อยเนะี่ยยังอยู่ ก็สอนหมดนะเวลาเคลนกุฏิทํำยังไงล่างเท้าเช็ดเท้าหอแห้งบาตวางยังไงไม้ขีดไฟเอาไว้ที่ไหนเพราะไม่มีไฟฉายเด็ไฟฉายไม่มีนะถ้ามีไม้ขีดไฟเทียนเอาไว้ข้างข้างพอตื่นมาเสียงอะไรขอกแคกเนะี่ยอย่าไปเอาตีนไปเสียบจะไปจับมานะให้จับไ ฟ, ไฟจับกับไม้กักไม้ขีดไฟนะ่ะ พอกาวขึ้นมาแล้วก็มาขีดขีดไม่ขีดไฟขีดระวังนะมันจะไม่ผ้ า, ผานะหลวงปู่ท่านสอนหมดเลยเวลาพับผ้ า, ผ า, ผาต้องพับให้เรียบ อ, อ, อย่าไปกองอายุอะยะ เ, เดี๋ยวพวกงูพวกตะขาบอะไรมันเข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นต้องให้เรียบเก็บให้เรียบร้อยพับให้ดีหมาตตั้งไว้ตรงไหนอย่างไง ท่านสอนมดบางทีท่านขึ้นไปจัดที่นอนให้อีกต่างหากนะหลวงปูล่ลาท่านขึ้นไปเป็นจัดต้องจัดอย่างนี้บาดต้องไว้อย่างนี้ผ้าต้องเอาไว้อย่างนี้นะพอเราเป็นเด่นน้อยนะใช่ไหมล่ะบางทีอยู่ในกับบ้านกับพ่อกับแม่เนะี่ยพอแก่แก่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเอาตีนเขีย่ยเข้าไปในในมุมมุมบ้านแลว้วงั้นนะเพราะ พวกนัน้พวกพี่สาวพวกแม่เขาก็เต็มเก็บให้เหมือนกันแต่เขาสอนก็ไม่รู้จะสอนยังไงอวกมันเด็กชไงแก่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ตีนเขี่ยเข้าไปในมุมเลยพอใหญ่ขึ้นมาแล้วย่างค่อยๆเก็บแต่ที่ยังไงมันก็ยังนิสัยตัวนั้นมันยังมีอยู่นะเขามาบวชนะหลวงปู่ท่านสอนนะสอนครั้งที่หนึงสั้งที่สอง น, นะถ้ายัางอายุอายะอย่างเกา่าระวังบัดเนี่ยหลวงปูด่ดูได้ท่นเลย ท่านไม่ใช่มาท่านจะมาทําให้ทุกครั้งไม่ใช่นะสอนให้ครั้งหนึ่งครั้งสองเท่านนะั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามเราเอาเลยนะดุเราจะเนี่ยอ่อถ้าโดนดุแล้วก็เข็ดเลาจเนยแต่แต่ละเรื่องนะนี่แหละอันนี้คืออยู่กับการอยู่กับหลวงปู่หลวงปูล่ลาในะท่านสอนจริงๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสอนทุกคีทุกเยอสอนอยากจะให้เราเป็น คนดีเด็กดีเนนดนะีแต่วันหนึ่งจำไม่ลืมอีกจุดหนึ่งนะมันมาสัมผัสได้หลวงพ่อเล่เาให้ฟังพออยู่เขามาบวชมายังไม่ถึงปีนะมีโยมอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่หมู่บ้านแวงนะหมู่บ้านอีกแต่ญาติโยมถิ่ น, นั้นหนะ่ยสามสีห้ามหมู่บ้านนะเวลาวันพระเขาจะมารักษาศีลรวมกันเหมือนกับวัดเราอย่างนี้แหละ แต่มันคนก็ไม่มากอย่างอย่างวัดเราพอมารักษาศีลคนหนึ่งคนยายคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิปีนะเป็นคนโอ้มีสติมีปัญญาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดที่เดียวละ่ะในหมู่บ้านของเขาเป็นที่ยอมรับในในหมู่บ้านนั้นแล้วก็สมัยคุณแม่ชีแก้วไปอยู่ที่ ที่ทำทำูเก้ากับคุณย่าหลงพ่อนะกับหลวงปูนะ่ที่อยู่ภูเก้านะโยมคนนี้แหละเป็นผู้อุ ป, รรปถัมภะคนหนึ่งดูแลเคียงียงบาเกียงไกับโยมพ่อยโยมแม่ของหลวงพ่อนกะันโยมป่าคนนี้นะพอ่อมาพอหลวงปู่รามาอยู่ที่นี่้าก็ตามมาอีกมาดูผลิบัต โยมป้าเพงเนี่ยมาซื้อป้าเพงแต่โยมแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะกูบากูบาเนนป้าเพงเนี่ยคุณแม่ชี้แก้วว่ากูบาเคยไปเกิดกับท่านเลยเคยเป็นแม่เคยเป็นแม่เก่าเคยเป็นแม่มาตะ ก, ก่อนป้าเพงเนี่ยคุณแม่ชี้แก้วบอกกูบาเคยไปเกิดกับเพิร์นเลยเราถือว่าเป็นโยมแม่คนหนึ่งครับ โยมแม่ในอดีตชาติมอจากนั้นเราก็ท่านท่านก็เรียกคุบานเนรคูบาโลกท่านก็นว่ากันให้าเรียกเราเป็นเนรน้อยเราก็ให้ความสนิทสนมพอต่อมาโยมท่านก็ป่วยทุกวันท่านก็คงจะเป็นมะเร็งตับนั่นแหอะพอจอางนั้นเา้าก็เลยป่วยไม่ไ ม, ไม่นานเท่าไหร่ก็ตายพอตายเขาก็บอกว่าป้าเพงตายแล้ว ลูกหลานของเขาก็ขึ้นมามากราบหลวงปู่หลาประมาณสักห้าโมงกว่าเกือบใกล้ค่าแล้วกําลังพวกเรากกําลังลงไปอาบน้ําไปสงน้ําในห้วยมีสามองค์ด้วยกันมีโยมพ่อหลวงพ่อกับหลวงปู่ล้านะยังจําได้ยังจําได้ไม่ลืมเมืทาั้งทุกวั น, นลูกหลานน่ยลงไปหลว ง, งพ่อก็อยู่ตรงกลางเป็นเนน้อยเขาก ถงวิ่งมาด้วยมันไก่ขำแล้วบอกท่านอาจารย์วันพรุ่งนี้ข อ, อนี่มนไปบินรบาดฉันเช้าที่บ้านเราพ่อป้าเพลงตายโยมคุณแม่ตายพอได้ยินเตอนเราตาเหลือกแล้วนะก็กลัวผีเราแต่เนี่ยกลัวผีเขาก็เลยพูดพูดฟังตายนั่นแะวันพรุ่งนี้จะได้เอาไป เข้าป่าแล้วนะไปเผาขอที่มนต์ครูบาอาจารย์ไปเอาทั้งหมดนะั่ะไปบินเทา บ, บาทชั้นเช้าแล้วก็ทําพิธีตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็เอาเข้าป่าเผาแล้วนะประชุมเพิงเราก็กลัวเลยปวดเสร็จแล้วขอนีมนุ์เสร็จลงปู้ลา ก, กัรับแ่ะพอรับต่างเออเอาวันพรุ่งนี้เนะจะไปไปแต่เชา้าออจะให้มารับไหมไม่ต้องมารับก็ได้หรอก เดี๋ยวจะไปเองพอจะกว่ายก่อนมันมไม่มีรถใช่ไหมล่ะมีแต่เดินไปเองลัดป่าลัดดงรัดถุงรัดถ่าไปเลยนะไปถึงบ้านเขาพอเขาไปเท่นั้นแหละเราก็ว้ายกูจานวะกับผมนอนไม่ไดนะ้นอนคนเดียวไม่ได้แล้ววันนี้กลัวผีวะไอ้ไปกอททำไมไม่เมียล่ะเขาไม่มาโอ้ยเข้ามารักษาศีลทุกวัน ผมนอนคนเดียวเลยเขามาถามมาหาผมผมจะทํำยังไงผมไม่อยู่ไม่ได้แล้วครับครูจานพอเรียกเรียกลุงปู่ลงุงปู่ล่าเนี่ยยังเรียกครูจานอะยู่เลยเพราะอายุท่านท่านบวชเมื่ออายุสามสิบกว่าปาีแล้วก็พรรษาท่านก็เพียงสิบเอ็ดพรรษาเองประมาณสี่สิบต้นๆยังนมอยู่นะเลยหลวงพ่อเป็นเนรน้อยนะ เ, อเรียกลุงปู่ล่าและเรียกครูจาน ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ผมอยู่ไม่ได้แล้วทําไมเขากลัวผีแล้วกลัวป้าเพง่งมะเอาจะทํำยังไงเรานั่นแล้วผมไม่อยู่ไม่ได้หล้วกลัวไปที่ไหนขึ้นไปนอนกับหลวงพ่อแล้วจะขึ้นไปนอนหลวงพ่อก็บวชได้คือว่าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อของหลวงพ่อบวชเป็นพระใช่ไหม เออเอาถ้าขึ้นนอนไม่ได้ก็ขึ้นไปนอนกับหลวงพ่อก็ได้ไปรับผมไอจากนั้นพออาบน้ําเสร็จก็หอบที่นอนคือนไปนอนกับหลวงพ่อเลยตรงนั้นออะไปนอนไปนอนกราบไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาห น, น่อยหนึ่งก็ น, นอนอ่ะนะนอนคางหลวงพ่อหลับตื่นมาน่ะตื่นมาก็ท่านก็พาออกมาแต่เช้าเลยท่านมาในงานเขาน่ะมากับบินทบาทฉันที่ บ้านของเขาที่วัดของเขาก่อนคนก็มาทำบุญที่วัดวัดอีกวัดบ้านวัดใกล้ๆพอเสร็จแล้วก็ฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วกัตอนเที่ยงโดยมากตอนเที่ยงเขาจะเอาศพลงบ้านนะแถวนั้นจากนั้นก็นิมนต์พระไปพระไปก็ฉุดมาติกาบังสกุลเป็นครั้งแรกเพราะงั้นไม่เคยไปที่ไหนได้กานศพเนะเนน้อยไปครั้งแรกเลย พอเสร็จแล้วเขาอเออเขาจะเผาแล้วนะทีนี้จะพุ่มพวงเขาเออกศพเอาหีบโลงขึ้นไปที่กองอกองไฟกองฟืนที่เขากองไว้น่ะพราะเป็นเมนชั่วข่าวใช่ไหมละ่ะมันไม่มีเมนอะไรแล้วกองฟืนขึ้นไปแล้วเอาหีบโลงขึ้นไปเลยเอาไม้พาดไปให้โลงกระดุกกดิกไพาดทั้งสองข้างอ่าพันภาษาทางนั้นเขาเรียกว่าไม้คมเหงิไม้คมเหงิงคือไม้ พาดข้างลงข้างละสองลำลำใหญ่ๆเวลาไฟไหม้มันก็ยุบยบยบไม้สองละไม้สี่ลำเก็กดหีบโปรงไม่ให้ตกตกออกจากกองไฟอันเรียกว่าไม้ขมเหงขนแถวนั้นนะจากจากนั้นพอเขาทำเสร็จแล้วเขาเอา้าขึ้นไปดูเจ๊คือพี่น้องลูกหลานเนี่ยต้องขึ้นไปดู หน้าคนตายก่อนก่อนก่อนที่จะเผาไฟไะไปเห็นหน้าเห็นตาซะก่อนหลวงพ่อกับหลวงปูล่ลากไปเน้เนอินขึ้นไปดูัหมครับผมเออเราก็ขึ้นปีนขึ้นไปแล้วเน้นน้อยขึ้นไปก็ไปดูเขาก็เปิดเปิดผ้าให้ดูดูหน้าเห็นแล้วมันเหมือนกับคนนอนหลับนี่นะคนตาย แต่สมัยเป็นเด็กเขีนว่าคนตายเนี่ยตาลีตาเหลือปากบิดปากเบี้ยวทําไงเหมือนกับผีตายลักษณะอย่างนั้ น, น่ะความกลัวเหมือนกันนะความความความคิดของของตัวเองเหมือนกันนะพอขึ้นไปตรงเหมือนกับคนตายเหมือนกับคนตายเนี่ยเหมือนกับคนนอนหลับว่าคุณป้าเนี่ยว่าก็เรียบร้อยดีทุกอย่างก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกับคนนอนหลับะจะนั้นเราก็ลงมานะลงมาเขาก็เผาไฟน่ไปชุมเพลิงเนะ่ะ เออพอไปชุมเพิงเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะเออจากนัานพอนะก็กลับมาด้นะพอสวดมนต์หลงปู่พาพระสวดมนต์เสร็จแล้วเพิ่งจะกลับมาเออพอกลับมาแล้วฮะนินอินเป็นไงเนะ่ะนอนได้ไหมได้ครับผมไปเห็นแล้วผมไม่กลัวครับเพราะเห็นว่าคุณป้าเมื่อก็นอนหลับไม่เห็ น, นหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้ากลัวที่ตรงไหนเมื่อกับคนนอนหลับเลยถ้าไปเห็นเออเห็นคนก็เห็น เหมือนกับคนนอนหลับไปหากลัวคนนอนหลับคนคงจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ครับผมผมนอนได้ครับนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาเลยใครตายกับหลวงพ่อก็อยู่ได้เลยเพราะดูดูแล้วเหมือนกับคนตายมันก็เป็นอย่างงั้นแหละแต่แต่ไม่ได้คิดว่าดวงวิญญาณหรือผีจะมามามาหลอกมาเยี่ยมอันนั้นไม่ได้คิดว่า ง, งั้นะนี่แหละสมัยหลวงพ่อ เป็นเนนะลูกลานนะไม่ใช่แ่บ อ, องค์อาจกล้าหาญอะไรนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวนะเอะกลัวผีเหมันกันแต่สู้ว่างั้นแต่อย่างไปทุดงก็เหมือนกันไปทุดงในป่าดงพงไผนะ่บางทีไปอยู่ถ้าไปอยู่ตามลําพังองเดียวไม่รู้กี่ถ้าไม่รู้กี่แห่งน ะ, ะถ้ำผาแดนบั่งถ้าผวาเวดบั่งถ้าซ่อนของบงั่ง ถ้าขุนป้องบังถ้าที่ไหนก็ที่ไหนหลวงพ่อขึ้นไปอยู่หลายแห่งผู้เก้าบังะที่เขาว่าผีตุรุนะอหลวงพ่อขึ้นไปดูทั้งนั้นหลวงพ่อกลัวไหมกลัวพอใกล้ค่ามันก็นึกกลัวแล้วกันเลยกลัวเอ้ยมันกลัวไปทําไมวะกลัวมึงกลัวตายใช่ไหมมึงจะอยู่ที่ไหนจะไม่ตายวะอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันไม่กลัวทําไมกลัวผีหไะถ้ากลัวผีก็กลัวตัวเองหน่อยจะวะ ให้แค่บอกข่มใจตัวเองนะแต่ถ้าเอแต่ว่าเนี่ยทำท่าปากกล้าแต่ขาสั่นอย่างที่เขาหวานเหนกันนะเออแต่ว่าปากนี่กล้าเน่ขาเนี่สั่นอนี่ยกลัวอยู่ในใหญ่กลัวข้างในเลือดเหมือนกันเล็กเล็กเลกเล็กเหมือนกันน่ะอะนะแต่บางครั้งอยู่เข้าไปเนี่ยถ้าเพ่นหนีหรือหัวเสียกรรมฐานเออไม่กลัวะสำทานแต่ในใจกลัวนะแต่พูดอยู่ต่อไปต่อไป ใช้แนวความคิดพิจารณาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนเนี่ยฮพอที่สชดก็นละมันหลอกตอนเองทางนั้น อ, อใจขึ้นมานึกขึ้นมากลัวแ ล, ล้วก็หลอกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้พอไดสุดก็เลยใจหลอกใจใจหลอกตอนเองทําให้กลัวออพอจะได้มารู้เท่ารู้เท่ารู้ถันมันกลัวไปทําไม อ, อ มันกลัวไปทําไมมันเพราะตัวเองหลอกตนเองเท่านั้นแหะไม่ใช่ผีมาจากที่ไหนหรอกไอ้เพราะนั่นจะไปหลอกทําไมหลอกให้โง่ทําไมทําไมโง่ทําไมจะไปหันหลอกตนเองทําไม เ, าเหตุผลมันมียังไงต้องเป็นอย่างนั้นเสียนะาจากนั้นก็เลยความกลัวหายหายหมดเลยนะลูกหลานนะอืมนี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราเด็กเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่แหนะ่อหลอกกลัวที่แหลกผู้ใหญ่หลอกซะก่อนนะ หลอกเราก็เลยกลัวเผลในสุดพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ตกตัวเองหลอกตัวเองแบบนี้ใครไม่ใครไม่หลอกตัวเองหลอกตัวเองหลอกให้กลัวเพราะนั้นให้รู้พวกเราให้ศึกษาเรียนรู้นะมันออกไปจากใจทั้งหมดออกไปจากใจใจเจ้าของหลอกเจ้าของเพราะนั้นหลวงตามาหาบัวท่านจึงบอกว่าพอเดินจงกลมเสือมันคงจะหมอบอยู่ตรง น, นั้นมันมอบจริงหรือเดินเข้าไปหา มันประโยชน์หมอบตรงไหนเอกเดินเอาไปหาผลในสุดเฮ้ยมันหลอกตัวเองเลอมันจะมีเสือที่ไหนมันจะมีผีที่ไหนเสือที่ไหนมีแต่ตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละ น, ะนี่แหละท่านว่าเอาให้ทันกิเลสกิเลสแนวความคิดภายในใจของเราถ้าเราทันไปนะั้นมันแล้วนะอยู่ที่ใดอยู่ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวกลัวแต่พวกอสรพิษพวกตะขาบแมลงป่อง พวกงูเหี้ยออะไร่เออนั้นควรจะกลัวเพราะมันกัดได้ะตุกแกมันก็ไม่ควรกลัวไปกลัวมันไม่ตุกแกก็ไม่มากัดมาอะไรมันไม่ใช่ว่าจะกระโดดมันก็กลัวขนยิ่งกว่าอะไรอีกถ้ามันตกลงมากัแค่มันตกลงมาเนี่ยมันคล้ายๆกับมันหลุดมือเฉยๆที่มาเกาะเรานะมันไม่มีหรอกตั้งแต่หลวงพ่อเกิดมาเลยยังไม่มีตุกแกหลุดลงมาแล้วมาเกาะเรายังไม่มีจริงจกกบกเหมือนกัน มีแต่เรากลัวคิดว่ามันจะเป็นเท่านั้นเองมีแต่เราไปจับคอมันเท่านั้นเราจับได้จับตุ๊กแกจับอะไรจับได้ทั้งหมดะจับไปปล่อยที่อื่นพอทําปัณฑูที่กุติของเราก็ทําให้ศกปกอุดขี้ของมันมันเหม็นยิ่งกว่าอะไรขี้ตุ๊กแกนะถ้าเราไปเหยียบโอโ้โหตายถ้าล้างด้วยน้ํำธรรมดาันไม่พอเราต้องสบู่ล้างแล้วล้างอีกนั่นแหละ เพราะนั้นเราจรึงจับมันไปปล่อยที่อื่นซะอไปอยู่ที่อื่นนะมาอยู่ที่นี่ส ก, กระโปรกลกลุงหลังนั่นแหละการอยู่กับสัตว์นะสรปสัตทั้งหลายในโลกนั้นเป็นอย่างั้นง่ะ <c oughs> อ, อวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดแนวหนึ่งให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะเพราะนั้นลูกหลานจะไปกลัวนะักกลัวผีนะหลวงพ่อมาหลวงพ่อเคยกลัวมาแล้วนะมีแต่งโง่อย่างเดียวนะกลัวนะ อ, อกลัวผีมีแต่งโง่อย่างเดียวนะ เพราะนั้นเราเอาชนะความโง่ของเราในจิตใจให้ได้นะต้องหาเหตุผลมาหักล้างมันพวกผากล้างมันหายเองนะโง่นะไม่กลัวละสิเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะอยู่ด้วยเหตุอยู่ด้วยผลนะเนี่ยหลับพรในทีนี้เนาะ